ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสพระอาจารย์ทรงศินป์เพื่อนสัทธมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านการปฏิบัติธรรมของเราทุกวันเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนสมัยโบราณนะ อย่างเช่นในยุคพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยทาไมาถึงบรรลุธรรมกันมากมายนะไปบันแล้วก็สำเร็จธรรมกันเป็นจูนวนจำนวนมากนะหรือแม้แต่ใ น, ในยุคก่อนอปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนะก็พวกเราก็คงจะทราบว่าคงจะมีผู้ที่บรรลุธรรมหรือพระที่เป็นพระหันก็มีมากมายนะ คันนี้มาถึงยุครุ่นเราทาไมปฏิปธรรมกันแล้วทำไมถึงยากทำไมถึงไม่ค่อยบรรลุธรรมกันหรือเป็นภรริยะบุคคลพระริยาเจ้ากันง่ายๆเนาะตรงนี้มันจึงมีความต่างกันนะเพราะจะดูให้ดีแล้วในสมัยโบราณนั้นจะไม่มีเครื่องปรุงแต่งเยอะนะไม่มีสิ่งต่างๆที่ว่าจะทำให้เราไปติด ไปคล้องในตรงนั้นเยอะนะแต่มาถึงยุคเรานี้เราจะติดแทบทุกอย่างเลยนะคือจะมีความปรุงแต่งในต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไม่ได้กลับมาสู่ตัวเองนะเราจะเข้าไปติดนะในอย่างทุกวันนี้ก็มีสิ่งต่างเช่นคอมพิวเตอร์นะคเราเป็นเครื่องติด เครื่องอยู่กันนะบางคนตามาอยูกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งวันนะทั้งคืนด้วยนะอยู่กันเป็นวันวนะดูโทรทัศน์บ้บนะบางนะดูหนังดูข่าวต่างๆดูหนังสือพิมพ์นะไปสนใจสิ่งต่างอ่โทรศัพท์มือถือนะรถยนต์นะนนะบ้านนะสิ่งตกแต่งประดับสวยงามเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆรนะองเท้านะกระเป๋านะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้คนจะไปติดพวกนี้กันเยอะมากเลยนะถ้าไปตามห้างสสินค้าแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะของใช้ต่างๆนะโดยเฉพาะของผู้หญิงเนะีเยอะมากเลยพวกนะเสื้อผ้ารองเท้านะกระเป๋าต่างๆเนี่ยเยอะมากนะนะโทรทัศน์ตู้เย็นนะ คอมพิวเตอร์มีขายมากมายนะอันนี้เป็นสิ่งที่ล่อให้เราออกไปข้างนอกทั้งนั้นเลยนะไม่ได้กลับมาสู่ความเป็นตัวเองในสมัยโบราณนั้นนะเขไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่กับตัวเองได้ตามธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละเป็นความจริงนะไม่อยู่ธรรมชาติแล้วนะจิตก็จะไม่ไปมีอะไรเข้ามาคล้องเกี่ยวเยอะ นะวันๆหนึ่งก็อยู่กับเนี่ยสายลมแสงแดดท้องฟ้านะรถยนต์ก็ไม่มีให้ให้เราขับนะโทรทัศน์อะไรไม่มีเราดูทั้งหมดนะไม่มีเสียงต่างที่จะมาให้เราส่งจิตไปปรุงแต่งได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอยู่กับตัวเองได้ง่ายนะอยู่กับนะความที่เรามีอยู่จริงๆในขณะนั้นก็คือธรรมชาติในขณะนั้นนั้นเองนะการที่เราจะปรุงแต่งเนี่ยน้อยมากนะ อยู่กับชีวิตจิตใจเมื่ออยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยก็กลับมาศึกษาตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครั้นี้คนโบราณนะที่เขาช้าบางบางอย่างคล้ายๆว่าต้องทำมาหากินกันนะนะต้องทำนาทำสวนทำไร่ไปค้าขายหรือทำกิจกรรมอื่นๆก็เลยไม่มีเวลามาศึกษาตัวเองนะนันก็เลยใช้เวลาช่วงหนึ่งนะที่พออายุมากขึ้นนะ อายุมากขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่าเออสมควรที่จะกลับมาศึกษาตัวเองเองแล้วนะก็เลยไปบวชเป็นสัญญาสีนะสัญญาศีนี่ก็ในอินเดียนี่ก็จะมีการบวชกันนะพาะยุมากขึ้นเออสังเกตว่าเราแก่แล้วนะก็เอาไปบวชสัญญาสีกันก็เพื่อไป ป, ปฏิบัติธรรมไปฤติธรรมนะเพราะงั้นก็ไม่มีเวลานะก็เลยตั้งอ่ากำหนด ก, กับตัวเองไว้เช่นนั้นนะหรือแม้แต่กษัตริย์นะกษัตริย์สมัยก่อน ก็จะบอกอบอกช่างตัดผมเอาไว้เลยว่าวันใดที่เห็นผมขาวเกิดขึ้นแล้วนะบนศีรษะตัวเองก็ให้บอกนะคราวนี้พอบอกแล้วเนี่ยพอดูว่ามีผมขาวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะสละบรลลังนะแล้วก็ อ, ออกไปเป็นสัญญาณสีนั่นแหละไปเไป็นนักบวชนะไปท่องเที่ยวนะอยู่ในป่าในเขานะเพื่อที่จะกลับมานะศึกษาตัวเองนะ ตรงนี้มันจึงต่างกันว่าเออทำไมสมัยปัจจุบันนี้นะคนจึงมาดูุธรรยากนะคนสมัยก่อนมารลุธรรง่ายนะเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งปรุงแต่งเยอะนะเขาก็มีเวลากลับมาศึกษาตัวเองได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวัดก็เลยอ่าก็มีวัดที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นวัดป่าและวัดบ้านนี่นแหละวัดบ้านก็อ่อาอาจจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะนะรับกิจนิมนต์ต่างๆเยอะมีคนมาทําบุญเยอะ มีการเผยแผ่ทำมีการติดต่อกับสิ่งต่างๆภายนอกมากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดวัดบ้านนะส่วนที่อยากจะไม่อยากจะติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมีกิจกรรมเยอะก็มาแยกเป็นวัดวัดป่ากันนะวัดป่าเนี่ยเกิดจากสมัยก่อนเนี่ยพระท่านก็มีเวลาอยู่ตัวเองนะต้องการอยู่ตัวเองก็เลยเดินธุดงเข้าป่ากันเมื่อก่อนท่านก็เป็นวัดบ้านนั่นแหละ ตอนหลังท่านเห็นว่าเอออยู่วัดบ้านแล้วไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายท่านก็เลยออกธุดงกันเมื่อธุดงไปเรื่อยๆก็ไปเจอสถานที่บางอย่างเป็นถ้าบ้างเป็นเขาบ้างมีปา่าบ้างท่านก็เห็นว่าสถานที่นี้เหมาะสําหรับที่จะอยู่ในการที่ว่าจะอยู่แล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอ ะ, ะท่านก็อยู่ในตรงนั้นมาเรื่อยๆนะมาอยู่มาเรื่อยๆก็กลายเป็นวัดขึ้นมานก็เลยกลายเป็นวัดป่ากัน เนะีเพราะนั้นในสมัยก่อนในในยุคหลวงปู่มั่นก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะท่านก็จะเข้าป่ากันอยู่อยู่ในป่าในเขานะีสมัยก่อนในสายหลวงปู่มั่นนี้นะอยู่ในปา่าแล้วก็ผู้คนแทบจะไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนะไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นใครอยู่ในป่ากันนะแล้วก็ไม่มีใครเอาของไปถวายเยอะด้วยนะท่านก็อยู่แบบอ่านะสบายๆนั่นแหละตอนหลังพอมี ข่าวในเรื่องสายวัดปลาหลวงปู่มั่นขึ้นมาคนก็รู้ก็เลยตามไปหาครูบาอาจารย์กันนะตอนเมื่อก่อนนั้นถ้าไปหาท่านบอกว่าอู้เข้ามาทําไมกันเยอะแยะท่านก็เหมือนกับท่านก็ว่าด้วยถ้าไปเยอะๆนะท่านก็ไม่ชอบนะท่านรู้สึกว่ามันมันไม่ต้องเข้าไปเยอะท่านุตสาดหนีมาแล้วตามไปทําไมนะแล้วก็เอาข้าวของไปถวายท่านอีกนะเป็นพาร่ากับท่านมากมายเนาะคนก็ตามไปรบกวนท่านท่านก็หนีเข้าป่าไปเรื่อยๆเนาะ เนี่ยเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือว่าท่านต้องการที่ว่าต้องการอยู่กับตัวเองนะไม่ต้องการที่ว่าต้องเกี่ยวข้องหรือมกีกิจกรรมต่างๆมากนะเพราะการที่อยู่กับตัวเองนี่จึงเป็นสิ่งสาคัญนะพอได้กลับมาศึกษาตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรอมีจิตใจเป็นอย่างไรบ้างนะกลับมาตรงนี้ศึกษาตัวเราเองนะตรงนี้เราจะเห็นว่าต่างจากศาสนาอื่นๆในตรงส่วนหนึ่งก็คือว่าอ ในหลายๆศาสนาก็จริงๆแล้วทุกศาสนาแล้วะเป็นลักษณะของเทวนิยมนะก็คือมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญนะ่แล้วก็การกประพฤติปฏิบัติต่างๆก็เพื่อให้เป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้านะในการทำความดีต่างๆแล้วก็ไม่ไปนับถืออย่างอื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าของตัวเองนะเมื่อทำเช่นนั้นแล้วก็จะได้หลังจากตายไปก็จะได้อยู่บนสวรรค์ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ต่างๆเหล่านี้นะอันนั้นก็คือเป็นที่พึ่งของเขาเป็นที่พึ่งว่าเออเมื่อเราทำเชะนนั้นแล้วเนี่ยทำความดีต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นความสิ้นสุดของแต่ละศาสนาเขาก็ต้องการเช่นนั้นนะแต่ก็มีเพียงพุทธนานี้เท่านั้นเองนะที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นว่า คือพระพุทธเจ้านี่เกิดมาในยุคของพระพุทธเจ้านะอยู่ในยุคของศาสน า, าพราหมณ์นะซึ่งมีพระพุทธเจ้ามากมายนะแล้วก็มีการอาแข่งกันนะระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่าท่านใหญ่กว่ากันท่านเก่งกว่ากันต่างๆแล้วเนี่ยแม้แต่ในในศาสนาเดียวกันนะในศาสน า, าพราหมณ์ด้วยกันก็ยังแข่งกันเลยว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้น่นนะตัวเองนับถือก็ใหญ่กว่ากันนะในลักษณะแบนบนั้นนะแต่พระเจ้านี่เห็นว่าอืการที่ไปพึ่งพระพุทธเจ้า นั้นนะก็ยังไม่ใช่ทางคนทุกข์อยู่ดีนะเพราะเป็นความยึดติดเป็นความผูกพันนะเป็นความที่เรียกว่ามันยังมีพบอยู่นะมีการเกิดนะไปอยู่พระผู้คเจ้าแล้วเรายังเป็นอย่างไรต่อนะอนะ่ก็ต้องเบียไวายตายเกิดต่อไปนะมันก็ยังไม่ใช่ว่าทางสิ้นสุดแห่งความทุกข์นะมีความยึดติดนะมีความอนะ่ยึดมั่นถือมั่นนะซึ่งเป็นอุปทานนะ เมื่อมีอุทางรก็มีพบมีชาติต่อไปนะอันนี้คือปัญญาอของพระเจ้าในยุคนั้นซึ่งเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะยุคของการที่เรียกว่าอยู่ในสนาภาพแท้ๆแต่ท่านก็เห็นว่าเออมันไม่ใช่ทางพ้นทุกเนาะท่านก็กลับมาดูกายดูใจตัวเองนะดูะตามความเป็นจริงนจนกระทั่งว่าท่านก็ได้พบหนทางว่าเออเนี่ยตรงนี้มันการออกจากทุกข์ก็คือการที่ ละได้ทุกอย่างนะละกิเลสในใจทุกอย่างออกไปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วนะจิตใจก็เป็นอิสระจิตก็ไม่คล้องเกี่ยวไม่คล้องไม่ค่ากับสิ่งใดเนี่ยก็เป็นหนทางพ้นทุกข์นะอันนี้ท่นก็ต้องใช้เวลาถึง6ปีนะในการค้นหาคําตอบในตรงนี้นะแต่ถ้าท่านไปยึดพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่ ง, ง่ายนะยนในยุคนั้นก็ง่ายนิดเดียว แต่การกลับมาหาค้นหาความจริงในตัวเองนี้นะเป็นสิ่งที่ยากนะเมื่อท่านพบแล้วนะท่านก็เลยมาบอกอามาสอนคนอื่นให้ดําเนินอันในเส้นทางสายนี้ต่อนะจะได้เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ทิฏฐาจริงนะแต่ผู้ที่เดินตามนี้ก็จะไขว่ห้อยนะก็จะหลงทางกันมากมายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าหนทางทิฏฐาจริงนั้นคืออะไรนะพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธกัน ในเมืองไทยก็คิดว่าไม่น้อยกว่าเก้าสิบปอร์เซนต์แต่แม้แต่ศีนห้าก็ยังรักษาไม่ได้เลยนะเรารับศีนห้ากันแล้วเนี่ยบางคนก็รับรับไปแต่ปากนั่นแหละออกจากวัดไปก็ไปดื่มเหล้าไปทําผิดศีนห้าต่อก็คือเป็นเป็นแค่เป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองนะว่าเราเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชาวพุทธแม้แต่นิดเดียวศีนห้าก็ยังรักษาไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงว่าเออให้มาอ่า จเจริญภาวนาต่างๆก็กลายเป็นเรื่องอธรรมเนียมเป็นความนิยมไปเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้ทําด้วยจิตใจเนี่ยจึงไม่ได้พ้นทุกข์กันจริงๆนะเพราะจริงๆแล้วเราก็ทําตรงข้ามกันเยอะเลยนะแม้แต่ศีลข้อแป ก, ก็บอกว่าเอออย่าไปดูการละเล่นฟอสลําต่างๆนะอย่าประดับตกแต่งเนะี่ยอันนี้นะจริงๆแล้วแม้แต่ผู้ที่ไม่รักรักตาศีลแปล ก, ก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ว่า เราจะไปทําเช่นนั้นมันก็เป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นนะไปดูการเล่นดูฟ้อนราทั้งหลายแหละนีมันก็เป็นหนทางที่ไม่พ้นทุกนะแม้แต่ครั้งหนึ่งก็มีเป็นอนักร้องหรือนักสแสดงนี่แหละไปถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นนักร้องหรือนักสแสดงเนี่ยตายไปแล้วจะไปมีกําเนิดอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบถามถึงสามครั้งพระเจ้าก็เลยตอบว่าออท่านเนี่ยต้องไปลงนรกเนี่ย เลยสงสัยทํำไมต้องไปลงนรกทั้งๆได้ให้ความสุขกับประชาชนนะพระเจ้าบอกว่านั่นแหละเป็นการให้กิเลสกับประชาชนนะเราไปร้องไปราไปสแสดงเนี่ยทำให้เขาเกิดกิเลสเกิดความยึดติดนะเกิดความผูกพันเกิดความยินดีในตรงนั้นนะมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนะก็ทําให้เมื่อให้กิเลสกับเขาเนี่ยเราก็ต้องไปลงนรกนั่นเองนะเพราะเราเป็นคนให้กิเลสกับเขา เป็นการส่งเสริมกิเลสนะอันนี้จะเห็นว่าทุกวันนี้มันมีการทําสิ่งต่างๆที่ส่งเสริมกิเลสกันเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้เพื่อละกิเลสนะหนังละครทุกวันนี้ก็ส่งเสริมกิเลสกันนะแฟชั่นต่างๆนะก็เป็นการยั่วยุกิเลสกันนะต่างๆเหล่านีาาา้แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่ายั่วยุกิเลสก็จริงแต่ว่าคนชอบนะเพราะคนชอบเพราะว่าคนชอบในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะอะไรที่มันไหลตามกิเลสเขาก็ชอบนะ เขาเรียกว่าถ้าไหลาตามกิเลสมันง่ายนะถ้าฝืนกิเลสมันยากนะมันเป็นสิ่งที่ว่าคนจึงละกิเลสได้ยากในตรงนี้ไงเพราะว่ามันชอบไหลาตามกิเลสอยู่แล้วนะต่าอีก่อนตอนที่อาตมา ย, ยังเด็กอยู่มีจะมีเหมือนกับละครโทรทัศน์อยู่เรื่องหนึ่งอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับยมพบาลหรืออะไรเนี่ยหุ่นไล่ ขุนไลกาหลือไลทํานองเปนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะอบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นนะสิ่งในความชั่วกทั้งนั้นก็เลยกลับมาเป็นขุนไลกาอย่างเก่าดีกว่าะก็เป็นหนังเป็นละครที่ส่งเสริมศีลธรรมนะปรากฏว่าอยู่ไม่นานก็หายไปนะแล้วหลังนั้นละครประเภทส่งเสริมศีลธรรมก็ไม่มีแทบจะไม่มีเลยหายากมากนะหรือถ้ามีก็นู่นอ่ะตีสี่ หรือพระเทก็ไปเทศตอนตีสี่อย่างเงี้ยใช่ ไ, ไแต่ช่วงที่เวลาหลังข่าวหรือว่าอะไรที่คนดูเยอะก็เป็นพวกละครพวกอะไรกันไปส่งเสริมกิเลกกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นทุกวันนี้ก็เลยกลายว่าละครที่คนสนใจก็ล ะ, ล ะ, ละครน้ำเน่าทั้งหลายแหละนี่แหละนะแต่ถ้าเป็นพวกที่มีศีลธรรมนี่ก็จะหายไปนะเพราะว่าคนดูน้อยนะ เมื่อจะเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตใจก็เลยไปหลงไปยึดไปติดในสิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาดูความจริงในชีวิตเราเลยว่าเราอในชีวิตเราจริงๆเป็นอย่างไรนะไม่ได้กลับมาศึกษาจิตใจของเรานะสมัยสมัยก่อนนั้นนะตอนบวชใหม่นะตอนแตมาเบื่อใหม่ได้ไปอยู่วัดนะในอที่อุดรธา น, นีนะเป็นวัดป่าที่เรียกว่า อ, อยู่ในป่าจริงๆนะกุฏินี่ห่างกันมากนะ ห่างกันมองก็ไม่เห็นเลยมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นนะอืแล้วก็คนก็ไปกันน้อยแล้วเป็นเขตพระด้วยห้ามเข้าไม่ได้คนเดียวใครจะมาเยี่ยมเยี่ยมพระนั้นไม่ได้ต้องออกไปเยี่ยมศาล า, างนอกโอ้อยู่แล้วมันเหมือนกับเราอยู่ตัวเองจริงๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกด้วยศาลาก็ไม่ให้ไปไม่ไปยุ่งกับใครลุกซัาอยู่กับกตัวเราจริงๆนะมีเวลาศึกษาตัวเราเองเยอะนะ หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีนะวิทยุนี่ไม่มีทั้งหมดห้ามเอานําเข้าแม่โทรศัพท์มือถือนะแต่สมัยก่อนไม่มีไม่ค่อยมีแล้วแหะแต่ตอนหลังก็ประกาศว่าห้ามมีนะก็คือได้อยู่ตัวเองจริงๆนะออได้ศึกษาตัวเองจริงๆนะตรงนี้เมื่อเมื่อศึกษาแล้วก็เกิดความเข้าใจในตัวเองระดับหนึ่งนะเพราะมันไม่มีอะไรไปศึกษาใช่ไหมไม่มีอะไรจะให้ดูไม่มีอะไ ร, ไ, ไ, รไปศึกษานะในเมื่อไม่มีอะไรศึกษาก็กลับมาศึกษาตัวเราเองนี่แหละดูจิตดูใจของเราไปนะก็ ตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีว่าเออเรากลับมามีโอกาสกลับมาศึกษาในตรงนี้นะในจิตใจของเรานี่แหละแต่ถ้าเรามีสิ่งอื่นนะั้นเราศึกษาภายนอกเนี่ยภายนอกมากมายทุกวันนี้นะแม้แต่อ่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคนก็ศึกษาในตรงนั้นได้ทั้งวันอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นหรอกก็ไม่มีเวลากลับมาศึกษาตัวเองนะเมื่อไม่ศึกษาตัวเองก็ไม่รู้จักจิตใจตัวเองนะมันกอ็ออกจากความทุกข์ได้ยาก ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ยากนะมันก็ไปยึดติดในสิ่งต่างๆที่เราไปติดเขาหน่าแหละยิ่งศึกษามากก็ยิ่งติดมากนะตรงนี้จึงเป็นอุปสรรคสําคัญนะในการที่เราจะเข้าถึงธรรมกันนะคราวนี้เมื่อเรากลับมาศึกษาอจิตใจของเราเองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีแต่ความไม่เที่ยงนะมีแต่ความเปลีนนะ่ยนแปลงทั้งวันนะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะเดี๋ยวก็ไหลไปข้างนอกนะ ครั้นี้เมื่อเขาไหลไปข้างนอกเรารู้ทันไหมนะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะเพราะถ้าเราไม่ศึกษาจิตใจตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะรู้ไม่ทันเลยว่าเขาไหลไปข้างนอกนะเขาไปคิดเรายังไม่รู้เลยนะไปคิดนะไปมีอารมณ์อะไรเราก็ไม่รู้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราไม่รู้จักจิตใจของเราเองนะเพราะนักพรุ่งเจ้าเลยบอกว่าเราเนี่ยต้องยามีเพื่อนสองนตรงนี้เป็นสิ่งนักพรุ่งเจ้าได้พูดไว้เลยว่าการบริบัติธรรมในยามีเพื่อนสองนะ เพื่อนสองนี่ไม่มไหมายความว่าเพื่อนเป็นตัวเป็นตนนะแต่เพื่อน2นี่ก็คือตันหานั่นเองนะว่าอย่าไปมีตันหามีเพื่อนสองนะเพราะเลยมีตันหาเป็นเพื่อนสองนะอันนี้พระพุทธเจ้าบอกเลยไว้เลยนะว่าอยู่ในป่าในเขาก็คือมีเพื่อนสองนั่นเองถ้ามีตันหาเป็นเพื่อนนะตันหาก็ i, คือนะความที่เราไปยินดีติดใจในสิ่งต่างนั่นแหละนะการที่เราไปยินดีติดใจนะในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจนะ ครั้นี้เมื่อเราไม่มีสิ่งต่างๆให้เราตาหูจมล่นกายใจเราไม่ได้ไปกระทบแล้วเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นก็เกิดกเกิดแค่ตัณหาในใจเราเท่านั้นเองนะตัณหาในใจแล้วกลับมาศึกษาตัณหาในใจเราว่าเรารู้ทันตัณหาในใจของเราไหม อ, อยากจะไปเที่ยวไหมอยากไปกินไหมอยากจะไปพบใครไหมไปคุยกับใครไหม อ, อยากจะดูหนังดูหนังสือพิมพ์ดูหนังสือไหมนะรู้เท่าทันความไม่พอใจความหงุดหงิดในใจ ความเบื่อความเหงาความกลัวต่างๆรู้ทันไหมเนี่ยก็เมื่อไม่มีตันหาภายนอกเราก็ได้มาศึกษาตันหาภายในที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็วางเขาได้นะวางก็ได้เร็วมันก็กิเลสเนี่ยเราต้องรู้ทันเ้าก่อนนะเราจึงจะวางเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสเราก็ละวางเขาไม่ได้อยู่ดีนะตรงนี้จึงว่าเราจะละกิเลสนะหรือเราจะวางกิเลสเราก็ต้องเห็นเ้าก่อน เราต้องรู้จักเขาก่อนนะเราก็จะได้ว่าระวางเขได้ง่ายขึ้นนะนก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเราอากลับมามีโอกาสศึกษาตัวเราเองนะในตรงเนี้ยมันก็เป็นหนทางที่เราง่ายขึ้นนะมันก็เร า, าเราไม่รู้จักตัวเราเองนี่แหละแต่ถ้ามีกระจกอยู่หน้าหน้าหน้าต่อหน้าเราเรากลับมาดูกระจกเออเรารู้จักตัวเราเองนะก็อย่างน้อยๆก็ดูเห็นภายนอกอย่างดีเออเราตอนนี้เราแก่ขึ้นไหมอ่า หน้าตาเป็นอย่างไรนะผมหงอกไหมนะผิวหนังเหี่ยวย่นไหมนะ่นะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่เราก็คงจะหล่อน้อยลงหรือสวยน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะจะได้เกิดความสโลดสังเวชนะ <c oughs> สโลดสังเวชเออเราเป็นแบบนี้แล้วนะมันก็ไม่เที่ยงเราแก่ไปแล้วเนะี่ยเกิดความสโลดสังเวชมากขึ้นนะจิตก็ได้ปล่อยได้วางได้คลายได้ง่ายขึ้นอเหมือนกับที่เราสวด <c oughs> ทํามุทเทสเมื่อกี้นี่แหละ ก็บอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชาลาตนไปอยู่นะโลกก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นแหละทุทุกคนนะรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยโลกนี่ก็คือหมู่สัตว์ก็คือเรานั่นแหละโลกคือหมู่สัตว์อันชาลาตนไปอยู่ก็คือเราก็กําลังเดินทางไปสู่ความชาลานั่นเองนะไปสู่ความชาลาไปสู่ความแก่นั่นเองนะและในสุดก็ไปสู่ความตายนี่คือความจริงของชีวิต ความจริงชีวิตตรงนี้เรากลับมาดูไหมว่าเรากําลังแก่ไปไหมบางคนนี่อายุถึงห้าสิบหกสิบก็ไม่รู้่าตัวเองกําลังแก่ก็มีนะอะเพราะว่าจิตใจจริงๆมันไม่แก่หรอกมันไม่รู้ว่าจิตใจมันแก่ไม่แก่นะเพราะจิตใจมันมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายบอกนะมันก็ยังคึกคักกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอนะอะแต่พอเรากลับมาดูเราตัวเราเองเออเราแก่จริงๆนะอ่าบางทีก็มีคนมาบอกเราเออผมเริ่มงอกแล้วนะอะ ตอนนี้เราเริ่มใจเหี่ยวแล้วนะอ่าอันนี้การกลับมาหาตัวเองนะเออเราจะกลับมารู้ว่าขณะนี้เราแก่แล้วนะอ่าถ้าไม่รู้บางคนห้าสิบหกสิบยังไม่รู้ตัวเองแก่นี่ก็ถือว่าประมาทนะเราก็ต้องกลับมารู้ในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็จึงมีเครื่องหมายบอกว่าเออบางทีผมหงอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะอ่าเราอย่าไปย้อมเขานะแต่ให้ดูว่ามันเป็นสิ่งมาเตือนเรานะว่าเรากําลังแก่แล้วนะเพราะฉะนั้นพระก็จึงไม่ย้อมผมกันนะ เราคงไม่เคยเห็นพระย้อมผมใช่ไหมนะเพราะว่าพระนี่จะเห็นความจริงว่าเออผมหงอกแลนะ้วแต่ถ้าโยมเนี่ยบางทีไปย้อมผมนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วนะมันก็หนีความจริงไปเรื่อยๆนะคือโยมเนี่ชอบหนีความจริงนะ เ, ออเวลาอหน้าอมีรอยกาตีนกาขึ้นมาก็ไปทําให้รอยกาหายไปนะไปทําหน้าให้ดูแล้วส า, สาวขึ้นสวยขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนีความจริงอยู่ตลอดนะ แต่เมื่อเราไม่หนีความจริงแล้วก็เห็นกลับมาเออมันเป็นแบบ น, นี้นะมันได้เกลียดเช่นี้เองนะบางทีอโยมนี่ถือศีนแปเนี่ยเขาก็ไม่แต่งหน้ากันนะไม่ผัดหน้าไม่เขียนคิ้วทาปาดนะแต่ให้เป็นหน้าตามโปรตินนี่แหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะจะได้กลับมาเห็นความจริงว่าเออเพราะเราไม่แต่งหน้าแล้วเป็นอย่างไรนะมันก็มันก็เป็นแบบนี้เองนะธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้หลบเขา เ, าเห็นตรงเนี้ยมันมันมีรอยย่นตรงนี้นะ่ะมันตกกะ อ่ามันเป็นอย่างไรนะมันจะได้เกิดความสังเวชเกิดความสลดใจนะอ่าตรงนี้ก็กลับมาสู่ความจริงในความที่เรียกว่าอ่าโลกนี้คือหมูสัตว์อัญชลาต้อนไปอยู่นะแล้วก็ไล่พู้ต่อต้านนะไม่มีใครต่อต้านได้หรอกความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครต่อต้านได้นะทุกคนก็เข้าสู่ระบบอ่าเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมนะ ISO นั่นเองนะ ก็มือเข้าสู่ระบบแล้วก็ต้องเดินไปตามเขาเรียกว่าเป็นสายพานนะสายพานที่ว่าอุตสาหกรรมเช่นนั้นนะเหมือนกับรถยนต์นี่แหละรถยนต์เป็นระบบสายพานนะก็คือต่างคนต่างทําในจุดของตัวเองใส่น็อตก็ใส่น็อตอย่างเดียวประกอบรถก็ประกอบรถอย่างเดียวใส่หัวเทียนก็ใส่หัวเทียนอย่างเดียวนะเป็นระบบสายพานนะเพราะคนเราก็เข้าสู่ระบบสายพานเหมือนกันนะพอถึงจังหวะหนึ่งเราก็เริ่มตาฟางเริ่มสายตาสั้นสายตายาวนะ จังหวะหนึ่งผมก็เริ่มหงอกนะจังหวะหนึ่งหูก็เริ่มตึงจังหวะหนึ่งหนังก็เริ่มเหี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าเราสู่ระบบสายพานน ะ, อะพอระบบสายพานเป็นไงไปสุดท้ายก็คือจบนะก็คือกลายลดลดสมบูรณ์เปอร์เซ็นะของเรานี่เป็นไงพอสายพานสุดท้ายปุ๊บก็คือเข้าโลงกันนะเข้าโลงกันโดนเผาโดนฝังแค่นั้นเองเนาะนี่ก็เราหนีไม่พ้นหรอกเพราะรเราอยู่ในระบบสายพานแล้วนะนะตรงเนี้ยเราก็กลับมารู้ความจริงตรงนี้ไหม แล้วก็ไม่มีใครต่อต้านได้นะจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้มันไม่มีหรอกใช่ไหมผู้ยิ่งใหญ่ระดับไหนนะสมัยก่อนเราก็คงได้ยินเจงกิสคานในโอโหยิ่งใหญ่เรียกว่าพิชิตเอเชียพิชิตยุโรปพิชิตไปคั่วโลกครึ่งโลกแต่ในส่วนตัวเองก็ต้องตายนะหนีไม่พ้นนะหรือแม้แต่ซีซาร์จูเลียซีซาร์ที่ยิ่งใหญ่ก็ตายนะ ไม่ว่าใครๆก็ตายทั้งนั้นนะจกาากักรพรรดิอะไรตายหมดนะจินซีฮ่องเต้นี่กลัวตายมากนะจินซีฮ่องเต้นี่พยายามคือตอนนั้นจินซีฮ่องเต้ในกลัวตายก็เลยไปร่วมกับลัทธิเตานะ๋าให้ลัทธิเต๋าเนี่ยปรุงยาเพื่อให้เป็นยาอายุวัฒนะให้ไม่ตายนะเป็นยาเรียกว่าปรุงแล้วไม่ไม่ตายทางเต๋านี่ก็พยายามปรุงยาอายุวัฒนะให้เยอะแยะนะให้จินซีฮ่องเต้นี่แหละ แต่ในสุดจินสียงเตก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมหรือแม้แต่สร้างกำแพงเมืองจีนนี่ก็ฟีมือจินซีทงเต้นี่แหละเพราะป้องกันชาวมองโกรจะมาบุกลุกนะแต่ในสุดก็สร้างกำแพงก็ป้องกันไม่ได้หรอกใช่ไหมกำแพงนั้นป้องกันศัตรตูได้ก็จริงแต่ป้องกันความตายตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะห น, นีพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ไปได้นะ เมื่อกลับมาศึกษาความจริงเช่นนี้แล้วว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรในชีวิตเราที่เหลืออยู่ก็ <c oughs> <c oughs> คือเราจะต้องอทําในสิ่งที่ไปประโยชน์ที่สุดในชีวิตนะหรือเรียกว่าประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะประโยชน์สูงสุดก็คือทําให้ใจของเราเนี่ยกิเลสลดลงนะให้เขาปล่อยให้เขาวางให้เขาคลายความยึดมั่นถือมั่นให้เข้ารู้ความจริงในเรขาสัตว์สีนะให้รู้ความจริงในพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และความไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญนชาไม่ได้นี่แหละคือความจริงที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อใจของเราเห็นสภาพความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางกายไม่ยึดติดและหลังนั้นจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกาหนัดนะเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี่แหละคือหนทางที่เราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงนะ เพราะนั้นหนทางนี่แหละคือหนทางที่พระเจ้าได้สั่งสอนไว้ให้พวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยเดินตามนะแต่ถ้าพวกเราไม่เดินตามก็ จ, จะเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองนะก็เพราะเพราะนั้นก็ขอขอพวกเรามาเดินตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อ่าตั้งแต่ในอดีต จ, จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อความที่พ้นทุกข์แก่พวกเราทุกท่านนะในสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านมาเดินตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันธ์ ทุกท่านเท่า